สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชวิตปเยซูตอนที่ห้าร้อยแปดเรื่องเปเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่สิบสามโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าเรื่องเกี่ยวกับมหาปุโรหิตนั้นมีมากและยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้เพราะว่าท่านทั้งหลายกลายเป็นคนหูตึงเสียแล้วถึงแม้ว่าขณะนี้ ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้วแต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้าท่านทั้งหลายต้องกินน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็งเพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นผู้เยาว์อาหารแข็งเป็นอาหารสำหรับผู้ใหญ่สำหรับผู้ที่ได้รับการฝึกหัดอบรม ให้สามารถรู้จักผิดชอบชั่วดีได้พี่น้องครับเช้าวันจันทร์อย่างนี้เป็นเช้าวันจันทร์หลังคริสต์มาสที่พวกเราทั้งหลายทุกคนอาจจะต้องย้อนกลับไปดูครับสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์เราเฉลิมฉลองคริสต์มาสและเราผ่านคริสต์สมาสมาอ ย, อย่างไรคริสต์มาสครั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณหรือเปล่าขอบคุณพระเจ้าครับคริสต์มาสของทุกๆคริสต์จักรนั้น แคบจะจัดเป็นงานเฉลิมฉลองและแนวใดกันนั้นก็จัดเป็นงานประกาศครับผมขอแสดงความยินดีกับพี่น้องที่ได้มีโอกาสนำวิญญาณมาหาพระเจ้าได้นำคนที่เรารักมารับความรอดเียครับนี่คือกระบวนการที่เราจะเติบโตในขณะที่เรานำคนมารับความรอดนั้นอย่าลืมครับเราจะต้องสร้างเขาให้เป็นสาวก ให้เป็นดังที่พระมหาบันชาได้บอกกับเราไว้นอกจากจะนําวิญญาณมาถึงพระเจ้าแล้วให้เขาได้รับความรักความรอดให้เขาเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดของเขาส่วนตัวจากนั้นเขาจะมีประสบการณ์กับการทรงนําของพระเจ้าเขาจะมีประสบการณ์กับการเจริญเติบโตฝ่ยายจิตวิญญาณเขาจะมีประสบการณ์ของการถูกสร้างใหม่เพราะพระคัมภีบอกว่าเหตนฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคด ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นพี่นะครับนี่คือประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้เสด็จเข้ามาในชีวิตของผู้คนและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาทําให้เขานั้นเติบโตพี่นะครับในพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ได้บอกถึงความเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณครับความเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณนั้นเกิดจากความรู้ความเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นใคร ในข้อที่สิบเอ็ดนั้นเริ่มต้นโดยว่าเรื่องเกี่ยวกับมหาโพธิ์นั้นมีมากและยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้เพราะว่าท่านทั้งหลายกลายเป็นคนหูตึงเสียแล้วพี่น้องครับมีปัญหาหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจิตวิญญาณของผู้เชื่อใหม่หลายคนบอกว่าผู้เชื่อใหม่แล้วก็ให้เขาเนี่ยได้รับบัพติศมาเลยหรือให้เขาได้เข้ามารับใช้พระเจ้าเลยพี่น้องครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการถกเถียงมีการโต้แย้งกันมากมายแต่ผมอยากจะให้เรากลับมาในหลักของพระเจ้ของพระเจ้าแต่ว่าธรรมีบูที่สิบเอ็ดนี้ได้พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับมหาปุโรหิตก็คือพระเยซูคริสต์ความเข้าใจในพระเยซูนั้นสําหรับคนที่เชื่อใหม่เขาอาจจะมีใจแต่ยังไม่มีความเข้าใจยังไม่มีความรู้ที่จะเข้าใจได้เพียงแต่มีใจในการรับเชื่อพระเจ้า แต่สําหรับบางคนที่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจและเขามารับเชื่อพระเจ้าแล้วนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องครับอย่างไรก็ตามครับตรงนี้ได้เห็นว่าเราจะต้องมีการสอนนะครับมีการสอนสําหรับผู้ที่เชื่อใหม่แล้วในข้อที่สิบเ็ดนะครับสิบสองทำให้เราเห็นว่าจะต้องทําให้คนนั้นเติบโตครับเติบโตมาเป็นคนสอนคนอื่นในข้อสิบสองบอกว่าถึงแม้ว่าขณะนี้ท่านร้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้ว แต่ท่านยังต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าคนที่เชื่อมานานควรจะต้องสอนผู้ที่เริ่มเชื่อใหม่เพียงครับนี่คือการเติบโตการสร้างสาวกตามแบบอย่างของพระคัมภีร์เราจะต้องมีคนสอนเยอะๆนะครับแต่คนสอนเหล่าเนี้ยจะต้องเป็นคนที่เข้าใจอย่างแท้จริงเข้าใจอย่างถ่องแท้เข้าใจเรื่องของพระเจ้าเข้าใจเรื่องของพระคัมภีร์อย่างถ่องแท้ ในข้อ12เน้นบอกต่อไปว่าในเรื่องหลักคมเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้าท่านครับหลักคำเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนนะครับจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้พูดง่ายๆตามภาษานักการศึกษาก็คือจะต้องเป็นการศึกษาภาคบังคับหลายหลาคนนะครับเป็นคิสเตรียนมานานไม่ค่อยได้เรียนพระคัมภีร์ ไม่ค่อยรู้เรื่องหลักคำรรเบื้องต้นแห่งพเจนะของพระเจ้าคำว่าหลักคำเบื้องต้นแห่งพเจนะของพระเจ้านั้นในสมัยนี้เรียกว่าหลักข้อเชื่อหลักคําสอนนะครับหลักคำสอนเบื้องต้นก็คือว่าพระเจ้าเป็นใครพระเยซูเป็นใครตรีเอกานุภาพหมายถึงอะไรความรอดคืออะไรบ้างความบาปทูตสวรรค์จริงจังเหล่านี้ครับได้รวมมา กลายเป็นศาสนาศาสตร์ระบบหรือหลักคําสอนเกี่ยวกับคริสต์ศาสนารวมไปจนถึงอนาคตศาสตร์พี่น้องครับแต่มันสามารถไม่ต้องเข้าไปใช้ในเรื่องของการถกเถียงปัญหาศาสนศาสตร์แต่เราสามารถที่จะสอนให้บังเกิดความเข้าใจในหลักนะครับหลักของศาสนศาสตร์ระบ บ, บอย่างง่ายๆก็คือ เป็นคําสอนของผู้เชื่อหม่นั่นเองทีน้องครับสิ่งแต่งเหล่านี้ครับจาเป็นที่ยิ่งอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกับผู้เชื่อใ น, นการเดียวกันครับเราหันกลับมาในข้อที่สิบสามเพราะว่าทุกคนที่ยังกินนานมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรมเพราะเขาเป็นผู้เยาว์ตรงนี้ผู้ชัดเจนนะครับว่ามีระดับของการเรียนรู้ครับคนที่เป็นผู้เยาว์เขาก็ต้องกินนานม น้ำนมคืออะไรครับน้ำนมคือสิ่งที่ย่อยง่ายเหมาะสมกับวัยครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคริสจักรนั้นมีแต่คนที่กินน้ํานมขับหมายความถึงไม่ได้เข้าสู่หลักธรรมที่แท้จริงไม่ได้เข้าสู่ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ได้เข้าสู่ความทราบซึ้งนะครับการรู้จักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้แหละครับจะเป็นเหตุที่ทาให้คริสจักรนั้นมีแต่คารก ไม่ค่อยมีผู้ใหญ่คิดจากแห่งนั้นก็เป็นคิดจากที่ไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงแต่ไม่สามารถที่จะทำการใหญ่เพื่อพระเจ้าได้ด้วยนี้ในข้อที่สิบสี่ครับอาหารแข็งนั้นเป็นอาหารสาหรับผู้ใหญ่สาหรับผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมให้สามารถรู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วเพียงครับลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญ ญ, ญาณก็คือสามารถรู้จักผิดชอบชั่วดีสามารถแยกแยะครับแยกแยะสิ่ง ของที่เทียมเท็จออกจากของที่จริงแยกแยะจัตจตธรรมนะครับออกจากความอัตธรรมแยกแยะความชอบธรรมนะครับออกจากความชั่วร้ายที่น้นะครับสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่เป็นภารกิจของผู้นําฝ่ายวิญญาณในขีดจักรนั้นอาจจะเป็นคณะผู้ปกครองคณะมัคคุรยกคณะธรรมกิจหรือคณะผู้นำํำขีดจักรคนเหล่านี้นะครับจะเป็นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีจิตแห่งการแยกแยะ รู้จักติดชอบชั่วดีคนในระดับนี้ครับจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมให้สามารถรู้จักสิ่งเหล่านี้ได้ในขณะเดียวกันครับเขาจะต้องรับการฝึกอบรมให้สามารถสอนผู้ที่เชื่อใหม่ได้ด้วยนี่คืออาหารแข็งครับอาหารแข็งนั้นเป็นอาหารที่พูดยังไงว่าเนื้อๆครับไม่มีน้านะครับ เป็นอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เขาจะฟังพระชนะของพระเจ้าแล้วจะเข้าใจและคนเหล่านี้จะมีลักษณะชีวิตที่เป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่เชื่อใหม่เพราะฉะนั้นในช้าวันนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าความคิดของผู้เขียนฮีบรูนั้นได้วางคริสตจักรหรือผู้ที่เชื่อนะครับออกมาเป็นระดับและในแต่ละระดับครับ ก็จะมีอาหารสําหรับพัฒนาการฝ่ายจิตวิญญาณของช่วงวัยต่างๆในขณะเดียวกันครับเราก็จะเห็นว่าเด็กทารกนั้นต้องกินน้ํานมอาหารแข็งนั้นจะต้องเป็นอาหารของคนที่โตพอฝ่ายจิตวิญญาณที่จะรับไหวพี่น้องครับความเชี่ยวชาญชํานาญใ น, รนพระเจ้าพระเจ้าแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าอาหารแข็งนะครับ เป็นตัวบ่งชี้ของความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเนงครับทุกวันนี้เรามีสามัคคีทำกันสิ่งที่เราพูดคุยกันคืออะไรครับเกี่ยวข้องกับความจริงความลึกซึ้งแห่ ง, พ ร, งพระเจ้าของเจ้าหรือเปล่เาเรากําลังพูดถึงเรื่องราวที่ผิวเผินหรือเรื่องราวที่ลึกซึ้งเรามีสามัคคีธรรมที่ผิวเผินหรือสามัคคีธรรมที่ลึกซึ้งนี่นะครับจะเป็นเหตุที่ ทำให้เรารู้ว่าเราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมากน้อยขนาดไหนขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณอย่างแท้จริงอาเมน